เป็นประธานสงฆ์วัดพุทธิยานังสีแวก็วัดเขาไม่นวนเกิดมาทําวัดในฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประเพณีนะของพระสงฆ์เมื่อเข้าพรรษาแล้วก็จะทําวัดพระเถระที่เป็นอาจารย์ที่เป็นเจาน้าคณะปกครองนะตำบลอาเภอจังหวัดจังหวัภาคสําเร็จ ก็เป็นการเคารพคารวะกันเราว่าตลอดปีที่ผ่านมากันอยู่รวมกันนะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเมื่อโดยกายกรรมวิีกรร ม, รรมวโนกรรมที่ร่วงเกินกันแล้วก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อการประพฤตปฏิบัติที่จเจริญขึ้นอาหังขมามิที่ร่วงเกินกันมาแล้วนั้นก็ให้อภัย ตูมเม ห, หีปิเมมิตรพังแม้ว่าพระเทนะนั้ น, นร่วงเกินไปแล้วก็ให้อภัยเช่งกันและกันด้วยในความหมายเกี่ยวกัภาษาบาลีเนี่เรียกว่าเทเลหรือหมหาเทเลพมาเทนะได้ร่วงประมาทไปแล้วในพระเทละหมหาเทละหรในกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมนะต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีนะ จำได้คดีจำไม่ได้็ดีก็ขอโูสิกรรมเพราะว่าคนเราอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วจิตนี้มันก็เร็วคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีถ้าควบคุมได้ก็อยู่ในเรื่องของศีลถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะพูดมาทางกายทางวาจากระทำทางกายก็ผิดพลาดไปได้ก็เป็นกรรม เป็นกรรมต่อกันไปอีกถ้าเป็นกรรมแล้วบางทีไม่ชอบใจก็ผูกเวรกันไปนะก็ทำให้จิตใจไม่สบายไม่สบายท่านก็มาทำพิธีถนะ่าททำวัดก็ระดู ก, การเข้าภาษาเพื่อไม่ให้มีบริโภธ์กังวลใดๆแล้วนะเป็นการเคารพคารวะสืบต่อข้อปฏิบัตินะ ของสายปฏิบัติด้วยสมัยก่อนก็วันเข้าพรรษาหรือวันระยะเข้าพรรษาก็จะทำวันทุพชาวันเกิดท่านก็จะไปทําวัดในโอกาสที่ได้ไปทําวัดก็จะได้ฟังธรรมะนะฟังธรรมะฟังขอ้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าประสงค์ท่านมาทมําวัดในฤดูกาลนี้เนะมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษาก็จะมีการปฏิบัติ ถือทวดตรงเขาวัดนะการฉันในบาทการฉันอสนะเดียวการถือเนสเ ช, ชิกการไม่นอนเป็นวัดนะกหาหลายองค์เคยทำมาอย่างพระจันทร์ทองคเคยไม่นอนตลอดพรรษาท่านก็ไม่นอนนะตลอดพรรษาฉันแล้วดิญยกรมไปถึงสามโงเย็นน่นึสี่โมงเย็น เดินยังกรมท่านต้องการสมาธินะสมัยเป็นสมบันเณรเดินยงนังกรมตั้งแต่ชั้นเสร็จไปถึงสี่โมงเย็นทากิจนะจามสาที่บันมีนะก็เรียกว่าทำเพียรปฏิบัติกันหรือการไม่นอนตลอดไต่มาสการนั่งสมาธิครั้งหลึ่งสาชั่วโมง5ชั่วโมงก็ฝึกอัดปฏิบัติ ต่อสู่ขทุกขวินาแล้วก็ในโอกาสวันนี้ก็ตรงกับวันคข้ายวันเกิดพระอาจารย์ธรมชัยด้วยนัดสามสิงหาก็มาด้วยกันในงานพระธันสงพรทั้งพระก็ทำวัดขอกรรมมาท่านในวันเกิดในวันคข้ายวันเกิดให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ห, หายูรไหาภัย มรุมะผลผนิพพานเหมือนกันให้กำลังใจกันการให้กำลังใจกันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าคนเราอยู่รวมกันเนี่ยนะถ้ า, มาไม่ให้กำลังใจกันนะก็ขาดความเมตตาต่อกันยังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อเรามาอยู่รวมกันมากๆนะจะเกิดความสุขใจได้ต้องมีความสามัคคีกันหนังภาษาบาลีก็พูดว่าสุขาสังคสสะสามัคคี ความพร้อมเพียงของหมู่นั้นทำให้เกิดสุขเมื่อเราจะทำบัจชการงานใดมีความพร้อมเพียงกันเป็นคารวะเรามาจากหลายที่หลายแหง่งแต่มารวมกันทำงานร่วมกันต่างคนก็ต่างมีความคิดความเห็นก็คงเป็นความคิดความเห็นที่จะพัฒนาไปให้มันดีขึ้นเพราะความสามัคคีเพื่อจุดหมาย ที่การงานที่เราจะทำนั้นจะสาเร็จนะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องวางเรื่องของตัวเราของเรานั่นเองวางตัวตนลงที่วันนี้ที่มันวุ่นวายก็เพราะว่าความมีตัวตนนะบางทีระบบทั้งหลายก็ทาไว้ดีข้อกฎหมายข้อกติกาก็ทำไว้ดีแล้วแต่ว่าคนยังมีตัวตนนะก็ไปแก้กันในกฎระเบียบแก้ต่างๆแก้มากก็ยังแก้ไม่ได้ เพราะมันได้แก่ในความคิดความเห็นมันได้แก่ในความยึดความถือในความเป็นตัวตนนี้มันลดลงบ้างถ้าความเป็นตัวตนเนี่ยมันลดลงนะมันก็พูดกันได้นะอะไรก็จะที่มันจะแต่ความสมาครรคีก็กลับมาใหม่ได้สมาู ค, รรคีกันได้นะถ้าเกิดมีแต่ความยึดความถือมีแต่ตัวมีแต่ตนมีแต่ <ey> a, เร<ๆ>าแต่เขาอย่างเดียวนี่นะมันก็ังมีปัญหาไม่จบอ่ะ จบมีความโกรธแล้วก็มีความพยาบาดมีความปองร้ายมุ่งร้ายทำลายอย่างเงี้ยนะก็ไม่จบเมื่อพวกเรานะต่างคนต่างมาร่วมกันในทำการงานก็มีความสัมพัทธ์กันก็จะมีความสุขการงานที่เราทำนั้นนะเราก็จะมีความสุขด้วยจุดมุ่งหมายเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ เราเองก็เป็นอย่างนั้นนะทุกๆคนก็ต้องการอย่างนั้นสัตว์ในโลกก็ต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่เบียดเบียนนะซึ่งกันและกันพยายามนะที่จะมีเมตตาต่อกันในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเราก็พยายามมีเมตตาต่อกันอย่างนี้นะการงานที่เราทำก็มีความสบายใจ ง้นไม่หนักใจในเพื่อนร่วมงานที่มาทำด้วยกันแม้ว่าต่างคนต่างมาก็ตามแต่ว่าใจทุ่ดวงก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือมีเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุทิตาเมื่อคนใดทำการงานอันนั้นได้สาเร็จก็ดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยมุทิตาจิตส่วนมาก คนเราหรือประเทศ เ, เรานี่จะขาดมุทิตาจิตอย่างมากทีเดียวนะเมื่อขาดมุทิตาจิตก็จะมีความอิจนฉะาดมีความริษยาเกิดขึ้นนะนี้ก็เป็นกิเลสนั่นเองนะนะีเราก็ต้องมาฝึกในการมุทิตาคือไม่ทําจิตของเราให้แข็งกระด้างกิตของเราให้อ่อนมีความอ่อนมีความมั่นคงในคุณงามความดีเห็น คนหนึ่งก็มีความดีแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยไม่มีจิตใจอิชา ล, ลิศยานะอนุโมทนาในคุณงามความดีเข้าอย่างนี้นะเราก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขหรือบางครั้งในหมู่คณะทําผิดพลาดไปเราก็ให้อภัยนี่คือความเจริญในภพมิหารถ้าต่างคนต่างมีภพมิหารเช่นนี้ นสะินของเราสินห้าเราก็จะรักษาได้นะมีความมั่นคงแข็งแรงเพราะฉะนั้นทุกๆคนถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยหรือมีธรรมะเราก็จะมีความสุขตามสมควรกับ ก, การภาพื่ปฏิบัติธรรมนะ ข้าบริท่านถึงบอกว่าสุขาสังคสสะสามะกีความพร้อมเพียงของหมู่ทำให้เกิดสุขหมู่คณะใ ด, ดบริษัทใดองค์กรใดมีความสามะกีกันนะก็จะมีความสุขกายสุขใจขึ้นมานะไม่ใช่หนักกายหนักใจทำงานแล้วก็หนักกายด้วยทางกิดใจก็หนักด้วยนะเมื่อลร้ขึ้นไปจึงต้องมาปฏิบัติธรรมะมาสวดมนต์มาภาวนามาศึกษาในธรรมะนี่แหละ พยายามเมื่อคนเราเกิดขึ้นมาก็มีผิดพลาดก็ให้อภัยกันนะซึ่งกันและกันนะธรรมดาว่ากิเลสมันครวบคุมจิตใจบางครั้งเผลอไปพลาดไปก็ท้องไงให้อภยัอภยซึ่งกันและกันนะให้ภัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหนทางนะแห่งการปฏิบัติเพื่อความสุข ถ้าในโอกาสที่พวกเราน้งสงค์ได้มาทำวัดนะผมแล้วก็จะรับใชด้วยหรือว่าพระสงฆ์ได้มาทำวัดพระเถระพระทันสงฆ์จเจาว่านะพระาจันทองยสุนัยยสุมเมศในภาษาก็ให้ตั้งใจนะทางพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พารมพาปฏิบัติให้พยายามฝึก ทำวัดเช้าวัาเดเย็นนั่งสมาธิบาเพ็ญภาวนานะเดือนแรกก็อาจจะนั่งสมาธิสักครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะพอเดือนต่อไปเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งนะเดือนที่สมก็เพิ่มเป็นนั่งครั้งละสองชั่วโมงก็ได้นะฝึกให้มันมีกําลังใจมากขึ้นอย่างนี้เมื่อมีผู้ที่พาทำพาฝึกขัดประพฤติปฏิบัติแล้วก็พยายามเนี่ยนะพยายามปฏิบัติ ปีนี้ก็มีพระพุทธามีนะหลวงพ่อบุญท่านกับพระบวชอยู่หนึ่งองค์นะขยันเดินกรมเนี่ยถามาจันทองแล้วท่านขยันเดินยังกมมากเลยภาวนาเพราะว่าอายุท่านก็มากขึ้นมาแล้วชีวิตก็เหลือน้อยแล้วมองเห็นนะว่าข้างหน้าเนี่ยเหลือน้อยแล้วไม่ประมาทนะไม่ประมาทลพยายามทำความเพียรนะทำกิจวัตรหน้าที่เป็นผู้อ่อนน้อมทำตัว ยิ่หายากพระพิสูจน์ที่ว่าง่ายสอนง่ายอายุมากมากก็หายากในสมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยท่านลาธาาพามเนี่ยบวชตอนแก่อายุมากไปที่วัดไหนสำนักไหนเขาก็ไม่รับะเพราะว่าส่วนมากบวชอายุมากๆก็จะดือ้อไม่ฟังใครมีทิฏฐิมนนสูงนะแต่ภาษาดนบุตพระเถรานี้พระ เ, เจ้าถามว่าใครเห็นคุณของใครจะรับ ลาทพามไปบวชบ้างพระสารีบุตรมาเถิดละก็ทรงจะรับไปธ้ารพามไปอุปสมบทเพราะว่านาทพามนี่แหะใส่บาตรหนึ่งทพีว่างั้นแหละชีวิตข้าพระเจ้าอายุยืนยาวมาปัจจุบันก็เพาะวาได้รับข้าวหนึ่งทพีเนี่ยจาลาทพาม พระสาราีบุตในจิตของท่านมีความละเอียดมากเป็นผู้เลิศในทางกัตัญญูกตเวทีนะท่านพระอัสสจิเทระเป็นอาจารย์ท่านองค์แรกสอนให้ท่านได้เห็นธรรมเมื่อพระสสจิเทระนี้อยู่ตรงไหนท่านจหาะหันทิศไปทางนั้นกระลบในพันธ์พระอัสสจิเทระและ้วาพาเมื่อเข้ามาบวชแล้วไม่นานซ้อมเร็จเป็นพระหลังหันทําความเพียร อย่างแรงกล้าทีเดียวเนี่ยนหนพระบุญริ่การความเพียนพอเห็นชีวิตไม่แน่นอนนั่นแหละนาปฏิปทาคา ล, าล้ายๆทราชพราม์นั่นเพออาฉะนั้นพระหนุม่มสาเด็จ น, น้อยเราก็อย่าประมาทเห็นชีวิตยังเหลือยาวนา น, นรประมาทไปไาย้ำทความเพียนส่วนญาโยมนั้นก็มาวันนี้นะที่เป็น อ, อ, องค์กรที่มาปฏิบัติงานร่วมกันนะเป็นแซ่บอะไรเนี่ย เขาขอให้สมัครกีปองดองกันตั้งใจในงานและขอให้สำเร็จหนังวัตถุประสงค์ที่เรามารวมกันจากหลายๆแห่งนะคงจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถกันทุกๆคนนี่แหละนะแต่ว่าเราก็ต้องวางความคิดความเห็นหรือตัวเราด้วยจะทําให้จิตใจของเรามันว่างงานของเรามันก็ไปได้ดีด้วยนะเกิดความสนุกเกิดความสุขในการทํางานร่วมกันอันนี้สําคัญทีเดียว เพราะแท้จริงเราต้องการความสุขในชีวิตของเรานั่นเองนะแต่เราจะไปหาข้างนอกให้มันสุขจริงๆมันจะไม่เจอต้องมาหาความสุขภายในคือใจของเราที่เราละาวางนาะทิฏฐินึกกรมานะความคิดความเห็นความยึดความถือนี่แหละนะลดละาวางแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในการงาน แล้วขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยกันทงทุกทา่านเจริญปักษ์